ทีนี้พระเจ้าอุเทนก็ตรัสต่อไปว่าท่านพาระทวาชะจิตนี้เป็นธรรมชาติโลเลบางคราวธรรมะคือความโลภทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นในเหล่าสตรีปูนมารดาก็มีปูนพี่สาวน้องสาวก็มีปูนที่ดาก็มีมีไหมหนอท่านพาระทวาชะข้ออื่นที่เป็นเหตุเป็นปัจจัย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 ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้มีกายอันอบรมแล้วเป็นผู้มีศีลอันอบรมแล้วเป็นผู้มีจิตอันอบรมแล้วเป็นผู้มีปัญญาอันอบรมแล้วการอบรมกายการอบรมศีลการอบรมจิตการอบรมปัญญาไม่เป็นกิจอันภิกษุเหล่านั้นทำได้โดยยากนะคือผู้ที่อบรมเรียบร้อยแล้วนะไอ้ที่จะคิดแบบเนี้ทำไม่ยาก ส่วนภิกษุเหล่าใดเป็นผู้มีกายยังไม่ได้อบรมเป็นผู้มีศีลยังไม่ได้อบรมแล้วเป็นผู้มีจิตยังไม่ได้อบรมเป็นผู้มีปัญญายังไม่ได้อบรมแล้วการอบรมกายเป็นต้นนั้นเป็นกิจอันภิกษุเหล่านั้นทำได้โดยยากท่านพระธวาชะบางคราวเมื่อบุคคลตั้งใจอยู่ว่าเราจะทำไว้ในใจโดยความเป็นของไม่งาม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 เป็นคำที่น่าสังเกตคือเป็นผู้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตและก็อบรมปัญญาอย่างไรชื่อว่าอบรมกายอบรมกายยังไงใครคิดไหมคำว่ากายได้แก่ปัญจทวารทั้งห้านี่นะปัญจทวารวิถีนะหรือชื่อว่ากายส่วนมโนทวารวิถีเนี่ยเป็นเรื่องของศีลเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของปัญญา เพราะฉะนั้นปัญจทวารวิถีนั้นก็คือถ้าผู้ใดอบรมปัญจทวารวิถีเป็นอย่างดีเนี่ยนะหมายความว่าทําวิจัยในเรื่องของปัญจทวารวิถีทั้งโดยวัตถุวิญญาณทวารอารมณ์ทั้งหมดอย่างดีแล้วเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้อบรมกายเนี่ยนะส่วนอบรมศีลก็คือเนี่ยนะไอจิตทางมโนทวารวิถีเนี่ยที่เป็นเหตุให้ล่วงมาทางกายทวารวจีทวารอันนี้เรียกว่าอบรมศีล เนี่ยนะอบรมศีลถ้าหากว่าทำให้จิตเป็นไปกับสมถะมากๆอันนั้นเรียกว่าอบรมจิตเนี่ยนะถ้าปัญญาที่พิจารณาที่เรียกว่าเจริญวิปัสสนาเรียกว่าอบรมปัญญาผู้ที่อบรมปัญญาแล้วก็สบายแต่ถ้าหากว่าไม่ได้อบรมละ่ะทำไงเพราะว่าแหมตั้งใจอยู่ว่าจะคิดโดยความไม่งามแต่มอารมณ์เห็นแล้วมันงามทุกทีอะ พระเจ้าพระปินโดละพาระทวาชะก็เลยถวายพระพรพระเจ้าอุเทนต่อไปว่าขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นพระวทหัรตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ตรัสไว้ดังนี้ว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมาเถิดเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองดีแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่เถิดเธอทั้งหลายเห็นรูปด้วยตาแล้วจงอย่าเป็นผู้ถือเอาโดยนิมิต อย่าเป็นผู้ถือเอาโดยอนุพยัญชนะจงปฏิบัติเพื่อสํารวมจากขุนรีที่เมื่อไม่สํารวมแล้วเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอัลลามกเขือพิชาและโทมนัตครอบงำได้จงรักษาจากขุนรีจงถึงความสํารวมในจากขุนรีและก็ในทวารอื่นก็ในยะเดียวกันเนีย่ยนะทั้งหกทวารเลยขอถวายพระพรแม้ข้อนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยให้พิสูจน์เหล่านี้ผู้ยังเป็นนม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 ปูนพี่น้องหรือว่าปูนทิดาเนี่ยนะเอ๊ะนี่ก็รับยากอเจริญกายยัคตาสติก็ไม่สัปายะว่างั้นทีนี้พระปิณโดระาระตวาชะก็เลยแสดงเกี่ยวกับเรื่องการเจริญอินทรีย์สังวรเนี่ยนะเจริญอินทรียสังวรพระเจ้าอุเทนเนี่ยศรัทธาอย่างว่าโอ้อัศาจ ร, รย์จริงคำว่างั้นก็คือที่อาัศาจ ร, รยพ่ออะไรเพราะว่ามันเข้ากับตัวเองว่าพระเจ้าอุเทนก็เล่า ว, ว่าท่านภาระตวชัในสมัยใด แม้ข้าพเจ้าเองมีกายมิได้รักษาแล้วมีวาจามิได้รักษาแล้วมีจิตมิได้รักษาแล้วมีสติมิได้ตั้งไว้แล้วมีอินทรีย์ทั้งหลายมิได้สํารวมแล้วเข้าไปสู่ฝ่ายในนะเข้าไปข้างในนะในสมัยนั้นธรรมะคือโลภะทั้งหลายครอบงําข้าพเจ้ายิ่งนักฟังนะท่านภาระธวชช แต่ว่าในสมัยใดยแล้วข้าพเจ้ามีกายอันรักษาแล้วมีวาจาอันรักษาแล้วมีจิตอันรักษาแล้วมีสติอันเข้าไปตั้งไว้แล้วมีอินทรีย์ทั้งหลายอันสำรวมแล้วเข้าไปสู่ภายในในสมัยนั้นธรรมะคือความโลภทั้งหลายไม่ครอบงำข้าพเจ้าเพราะว่าอินทรีย์สังวรนี่คือการตั้งสติไปก่อนนะนะตั้งสติไปก่อนเพื่อที่จะรับรู้อารมณ์ เมื่อผู้ที่ตั้งสเติไว้ก่อนเนี่ยนะบาปอากุศลก็ไม่ไม่ได้ช่องบาปอากุศลก็ไม่เกิดเหมือนกนท่านภาราทวชะพาสิทธิของท่านไพาราะนักท่านภาราทวชะพาสิตธิของท่านไพาราะนักท่านพาราทวชะประกาศธรรมะโดยอเอกปริยายเปรียบเหมือนงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปไว้ในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีจักษุจะเห็นรูปได้เช่นั้น ท่านทาระทวชะข้าพเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอท่านภารัทวชะจงจำข้าพเจ้า ว, ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเถิดนะฟังอินทรีย์สังวรแล้วก็มีศรัทธานในพระรัตนตรัยเลยนะถึงกับถึ ง, ถงตรัยสารณคมอั้นธรรมชาติของจิตนี้เป็นอย่างนี้ว่า ผู้ที่จะอบรมเกี่ยวกับเรื่องอินทรียสังวรเนี่ยจะต้องมีอุบายวิธีหลายๆประการด้วยกันเนี่ยนะจึงจะรักษาอินทรีย์สังวรคือมองเห็นแล้วจิตจะได้ไม่เป็นไปกับบาปและก็เป็นไปกับอกุศลได้แสดงว่าเรื่องการโยนิสวมนดิการเนี่ย mm. มันมีหลายชั้นหลายระดับนะครับซี่งจะไปจัดการกับไอ้ อ, อกุศลจึงมันก็มีหลายระดับเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องโยนิสวงมรดิการจึง จึงมีความสำคัญมากๆเลยแล้วก็แสดงว่าในสมัยพุทธกาลนั้นคนมีบุญเยอะอย่างพระเจ้าอุทเทนนีน้แสดงว่าท่านเองก็เคยสังเกตว่าท่านเคยสํารวมเคยมีสังวรมาเมือนกนท่านจะพูดอย่างนี้ไม่ได้หรอกใช่ไหมเพราะว่าพอมาเข้ากับที่ท่านแสดงคำนะฮะพระปินโดรทวาชแสดงแล้วเนี่ยก็โอ้โหเห็นชัดเจนเลยแสดงว่าท่านก็สังเกต สังเกตตัวเองค่อนข้างมากค น, น<ล>มีบุญแล้วไม่ทราบประวัติท่านพระเจ้าอุเทนนี่จะมีมรรคผลอะไรบ้างไหมครับอไม่ไม่ไมพบว่ากล่าวได้บรรลุมรรคผลอะไร<ม>แต่ก็เป็นเป็นคนที่สั่งเผาสั่งเผาสั่งเผาไอ้พระนางมาคันธยาคือพระเจ้าอุเทานคนเนี้ยมีมาเหสีอยู่สานะมเห็นไมในสีหลักๆเนี่ยนะสามคือพระนางสามมาวดีคนหนึ่งแล้วก็พระนาง นะวาสุพะและก็นางมาคันธิยาทีนี้นางมาคันธิยาเนี่ยเป็นคนที่เกลียดพระพุทธเจ้าเนื่องพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสว่านะนางตันหานางราคานางอรดีเนี่ยนะก็ไม่ทำจิตให้พระองค์เกิดขึ้นอ่ะนะกิเลสไม่เกิดเลยอะ่ะทีนี้เราจะไปชอบลูกสาวของท่านได้ยังไงวัง น, นเราไม่อยากจะถูกต้องสรีระแห่งลูกสาวของท่านเนี่ย เหมือนกับอุจระอย่างเงี้ยนะไม่อยากจะโดนอย่างเงี้ยที่เต็มไปด้วยอุจระปัสสาวะเนี่ยแม้แต่เท้าเรายังไม่อยากโดนไม่อยากถูกต้องกระทบอะ่ะทีนี้นางนี่เอ้ไม่เอาเราก็น่าจะพูดดีๆนะทําไมจะต้องดูหมิ่นดูแคลมกันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจะต้องทําทําความชีพหาให้ได้อย่างแน่นอนนี่ก็ตอนหลังพ่อแม่ก็ฟังทำก็บรรุเป็นท่านาคามีว่าบวชกันเป็นพระอรหรัรทีนี้นางมาคันธยาก็ไปอยู่กับอาอาก็เลยเป็น เป็นอํามาศ ร, รับราชการอยู่ในวังอยู่แล้วก็เอาไปถวายพระเจ้าอุเทนเจ้าอุเทนก็รักมากก็ให้เป็นมเหสีองค์หนึ่งทีนี้พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปเมืองโกสัมพีพอดีพระพุทธเจ้าไปเมืองโกสัมพีนี่นางก็วางแผนหาเรื่องอย่างเดียวนี่ทํำยังไงเนาะก็จ้างให้คนเนี่ยไปด่าพระพุทธเจ้านี่เจ็วันนะคนด่าอยู่เจ็ดวันแล้วก็นางสามาวดีเนี่ยนะซึ่งเป็นพระโสดาบันที่ศรัทธาก็หาเรื่องตอนหลังก็ วางแผนให้ให้อาเนี่ยนะเผาปราสาสตรเผาปราศาสานางสาว ม, มาวดีทีนี้พระเจ้าอุเทนเขาก็ปกติแล้วเขารักนางสาว ม, มาวดีมากนะโดยโดยธรรมดาทายาสัยแล้วพระเจ้าอุเทนรักนางสาว ม, มาวดีที่สุดน่ะในมเหสีทั้งหมดเขาทนี้พอรู้ว่านางสาว ม, มาวดีถูกไฟเผาแล้วเนี่ยนะเรียกว่าด้วยมายากษระสับนี่ก็ทําเป็นดีใจแม่เรานี่ระแวงนางสาว ม, มาวดีมานานแล้ว ใครน่าช่วยเอาเราเอ า, เอ า, เอาน้ําออกจากใจเราได้อ่ะอ น, นะประราชาฉลาดแบบนี้ก็ทีนี้ไอ้คนที่วางแผนฆ่าเนี่ยนะก็ดีใจนึกว่าพระราชาพูดจริงเรานี่แหละเป็นผู้หวังดีต่อพระราชาจริงๆนางมาคันธยาเนี่แหละก็บอกหม่อมชั้นพระเจ้าข่าว่างไนเออเธอนี่ช่วยหรือเราดีมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นมีญาติเท่าไรไปบอกมาให้หมดเราจะให้พร นางนี้ก็ดีใจใหญ่เลยนะว่า พ, พ, พระพระพระพราชาจะให้พรก็ไปบอกญาติมาหมดเลยญาติมีเท่าไหร่ใครที่ไม่เป็นญาติก็จัางขอเป็นญาติด้วยพระราชานี่ก็สั่งตัดหัวหมดเพี้ยงเลยนะพิเศษหน่อยก็คือพระนางสามาพระนางมาคันธยาเนี่ยนะปาดเนื้อเนี่ยแล้วก็ทอดแล้วให้ตัวเองกินนะเ <c ười> จ้าเทนี่ก็เอาหนักเหมือนกันะนะมัน ก็พระราชาองค์นี้แหละแล้วก็ า, าระาธาวาชาสูตรสังยุตติกายนิสลายุตนววักเล่ม28ปดในอินทรังวนศีน์กล่าวต่อไปว่าอันหนึ่งภิกษุผู้จะทำอินทรังวนศีน์ให้เต็มพึงเป็นเช่นกับพระจิตคุเทระ ผู้อยู่ที่ถ้ำใหญ่ชื่อว่ากุรันกะและเป็นเช่นกับพระมหามิตรเถระผู้อยู่ที่มหาวิหารชื่อว่าโจรกะมีเรื่องเล่า ว, ว่าในถ้ำใหญ่ชื่อว่ากุรันกะมีภาพจิตกรรมแสดงการเสด็จมหาพิเนศสกมของพระพุทธเจ้าเจ็พระองค์อันน่าเรื่นรมย์ใจเนี่ยนะภาพลายจิตกรรมฝาผนังถ้ำเนี่ยนะงามมากผู้ พ, พิสูจ์จนวนมาก เมื่อเที่ยวจาริกดูเสนาสนะไปเห็นภาพจิตกรรมเข้าจึงกล่าวกับท่านว่าท่านครับภาพจิตกรรมนี้น่ารื่นรมนะขรับพระเทระกล่าวว่านี่เนี่ท่านนี่เนี่ท่านเมื่อผมอยู่ในถ้ามากกว่า60ปีก็หารู้ไม่ว่ามีภาพจิตกรรมอยู่หรือไม่มีแสดงว่าอายุอย่างต่าก็80ปีพระเทร่รูปนี้นีอายุอย่างน้อยก็80ปีเพราะว่ามีพรรษาหก มาวันนี้อาศัยท่านทั้งหลายผู้มีตาจึงทราบเดี๋ยวนี้คือท่านเนี่ยปกติท่านจะมองแค่ชั่วแอกหนึ่งเนี่ยนะท่านไม่เคยเหลือบขึ้นสูงเลยไม่รู้เป็นยังไงท่านไม่เคยเหลือบมองสูงเลยมองมานี่มองสูงปกติเลยนะตรงกันข้ามกับท่านมดเลยแต่ว่าในในตัวอย่างนี้ท่านไม่เคยเหลือบเพราะฉะนั้นผ้าฝาผนังอะไรท่านไม่เคยเห็นเลยหกสิบปีเนี่ยไม่เคยมองเลยเพราะฉะนั้นเพิ่งมาเห็นไอ้เพิ่งมารู้เดี๋ยวนี้เองเออมีเนาะเหมือนกันนะ ทราบว่าพระเถระเมื่ออยู่มาตลอดการเพียงนี้ไม่เคยลืมตาแงนดูผนังถ้ำเลยกวางันก็ที่ปากถ้ำของท่านเนี่ยนะมีต้นกากระิงใหญ่อยู่ต้นหนึ่งแม้ต้นกากระิงนั้นพระเถระก็ไม่เคยแงนดูเบื้องบนท่านเห็นเกสรที่ตกอยู่บนพื้นดินตามฤดูปีเข้าเทียวจึงทราบว่ามันผลิดอกแล้วนว่าอะไรเป็นอะไรก็เห็นนะทีนี้พระราชาก็ทรงสดับถึงคุณสมบัติ ของพระเถระแล้วมีพระประสงค์จะกราบไหว้จึงส่งพนักงานให้ไปนิมนต์มาถึงสครั้งพระเถระก็ไม่ยอมมาจึงรับสั่งให้พนักงานเนี่ยมัดถันหญิงทั้งหลายที่มีลูกอ่อนในละแวะกบ้านนั้นแล้วก็ประทับตราไว้ออกพระราชองค์การว่าตราบใดที่พระเถระไม่ยอมมาตราบนั้นพวกทารกทั้งหลายอย่าได้ดื่มนมเลยอย่างนี้นะสั่งให้มัดอกผู้หญิงให้หมดเลยที่ที่มีลูกอ่อนในหมู่บ้านนั้นแหละ หมู่บ้านพระเทระที่อยู่นั่นแหละถ้าพระไม่ไปเนี่ยนะเด็กอดตายให้หมดเพราะสงสารพวกทารกพระเทระจึงไปสู่ละแวกบ้านใหญ่ก็คือต้องเข้าวังนันนะพร ะ, พระราชาทรงสดับแล้วจึงรับสั่งว่า น, นี่พนายพวกท่านจงนิมนต์พระเทระเราจากรับศีลนิมนต์ท่านมาจะสมาทานศีลกับท่านหน่อยดังนี้ก็โปรดให้นําพระเทระไปสู่พระราชวังชั้นในทรงนมัสการพระเทระ ทรงอังคาาแล้วก็ตรัสว่าข้าแต่พระคุณเจ้าวันนี้ยังไม่มีโอกาสพรุ่งนี้ข้าพระเจ้าจะารับศีลนะนะพระราชาก็จะถ่วงเออจะได้อยู่ใกล้ๆพระหลายๆวันหน่อยนะเดี๋ยววันหลังอยรับกินกั น, แ ล, กนแล้วก็ทรงถือบาทพระเถระเสดตามไปทรงท่านหน่อยหนึ่งทรงนมัสการพระเถระพร้อมกับพระเทวีแล้วจึงเสด็จกลับ พระเถระไม่ว่าพระราชาจะทรงนมัสการหรือพระเทวีจะทรงนมัสการก็กล่าวอยู่แต่ว่าสุขีโหตุมหาราชาขอมหาราชเจ้าจงมีความสุขว่างันให้พรอยู่อย่างนี้แหละนะไม่ให้ศีลหรือพระราชาไหวก็ว่าอยู่เท่านี้แหละเจ็ดวันเป็นไปโดยอาการอย่างนี้พระราชาก็ผัดไปเรื่อยนะผัดวันประกันพรุงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรับศีลเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรับศีลพระก็เลยไม่ได้ไม่มีโอกาสกลับสักทีหนึ่ง ภิกสุทั้งหลายก็กล่าวกับท่านว่าท่านขอรับเมื่อพระราชาทั้งหลายไหว้ทั้งพระเทวีก็ไหว้ทำไมท่านจึงกล่าวอยู่แต่ว่าสุขีโหตุมหาราชาอย่างนี้เล่า น, นะว่าขอให้มหาราชเจ้ามีความสุขทำไมพูดอยู่เท่านี้ละ่ะพระเถระจึงตอบว่านี่นะี่ยท่านผมไม่ได้ทำการกำหนดหรอกว่าเป็นพระราชาหรือว่าเป็นพระเทวีดังนี้นะไม่ได้เคยคิดเลยว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเ คันเมื่อเจ็ดวันล่วงไปพอพระราชาทรงปล่อยเพราะทรงดลิริว่าการอยู่ในที่นี้ของพระเระเป็นความลำบากดังนี้ก็ไปสู่ถ้ำใหญ่ชื่อว่ากุรันดกะในตอนกลางคืนย่างขึ้นสู่ที่จงกรมเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ณนะต้นกากระทิงยืนถือด้ามประทีปส่องให้คือเทวดาเนี่ยนะปกติชื่นชมในกรรมฐานของเออชื่นชมในศีลของพระพิษุรูปนี้มาก นะท่านไม่เคยลืมตาดูด้วยจิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลเลยนะเพราะเทวดาเขารู้วาระจิตตลอดเนี่ยนะก็ศรัทธามากก็เลยวันนั้นพิเศษนะทำปฏิบมาส่องให้เลยให้เดินจงกรมเหมืกันครั้งนั้นกรรมฐานของพระเทนะนั้นเป็นธรรมชาติชัดเจนบริสุทธิ์อย่างยิ่งเนี่ยนะเพราะว่าวันนั้นได้สัปายะมากพระเทนะพอใจอยู่ว่าอย่างไรกันหนอวันนี้กรรมฐานของเราจึงแจ่มแจ้ ง, จ ง, จงยิ่งนะัก ดังนี้ก็บรรลุเป็นผ้ารหันยังภูเขาทั้งสิ้นให้เลือนลั่นสนันไปให้กึกกร้องติดต่อกันตลอดมัดชิมยามเพราะฉะนั้นแม้กุลบุตรผู้หวังประโยชน์คนอื่นๆไม่พึงเป็นผู้มีในตาลอกแรกเหมือนลิงในป่าเหมือนเนื้อตื่นในดงเหมือนเด็กอ่อนสะดุ้งกลัวพึงทอดตาลงเบื้องต่ําพึงเป็นผู้เหลือดูชั่วแอกไม่พึงไปสู่อนานาจแห่งจิตที่วอกแวก เหมือนลิงในป่านะท่านก็บอกให้สํารวมตาตัวอย่างอีกพระภิกษุรูปหนึ่งคือพระมหามิตตเนี่ยนะกล่าวว่าก็โรคฝีมีพิษเกิดขึ้นแล้วแก่มารดาของพระมหามิตตะเทระทั้งที่ดาของหล่อนก็บวชในสำนักของภิกษุณีทั้งหลายนะบวชทั้งพี่ทั้งน้องนะ หญิงนั้นก็กล่าวกับภิษุณีรูปนั้นว่าดูก่อนแม่เจ้าขอจงไปสู่สำนักของพี่ชายบอกว่าเราไม่สบายแล้วนำเอายามาเถิดไปขอยาพระลูกชายนะดังนี้พิสุณีรูปนั้นก็ไปบอกแล้วพระเถระกล่าวว่าเราไม่รู้จักที่จะรวบรวมเอาเครื่องยามียารากไม้เป็นต้นมาปรุงเป็นยาขึ้นหรอกแต่ถ้าว่าเราจะบอกยาแก่เธอว่ า, านะให้ไปกล่าวว่า เราบวชแล้วแต่การใดจำเดิมแต่การนั้นเราไม่เคยมีจิตที่สหรคตด้วยโลภะทำลายอินทรีย์ทั้งหลายคือทำลายอินทรีย์สังวรศีลนี่นะและดูรูปอันเป็นวิสภาคะเลยด้วยคำสัตว์นี้ขอความผาสุกจงมีแก่มารดาของเราเถิดเธอจงไปกล่าวคำนี้แล้วก็รูปคลำเนื้อตัวของอุบาสิกาเถิดนะคล้ายๆกับเอาสัจจะวาจานี้ไปกล่าวแล้วก็รูปนะ มันคล้ายๆกับเป็นมนอย่างนั้นนะ่ะนะดังนี้ภิกษุณีรูปนั้นจึงไปบอกเนื้อความนั้นก็ได้กระทําตามอย่างนั้นทันใดนั้นนั่นเองฝีของอุบาสิกาก็ฝ่อหายไปราวกับก้อนฟองน้ํำฉะนั้นอนนะอนุภาพของศีลน่ะนะที่พระเถระรักษามาอย่างดีเนี่ย น, นะเป็นวาจาสัตว์เป็นเรียกว่าเป็นสัจจะ น, นะหล่อนจงลุกขึ้นแปลงวาจาด้วยความชื่นชมว่าถ้าหากว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังทรงดำรงพระชนอยู่แล้วไซฉะไหนจะไม่ทรงใช้พระหัตถ์ที่มีลายวิจิตด้วยอาการดุดดังว่าตาข่ายรูปคลำศีรษะของภิกษุผู้เป็นเช่นบุตรของเราเล่าดังนี้แม่ก็มีศรัทธา ม, มา ก, ก น, นะแหมลูกนี่ปฏิบัติดีเหลือเกินกันเพราะฉะนั้นแม้ภิกษุรูปอื่นสำคัญตนว่าเป็นกุลบุตรบวชแล้วในพระาศาสนาพึงตั้งอยู่ในอินทรีสังวรที่ประเสริฐเหมือนอย่าง พระมหามิตรเถระเถิด น, นะให้เอาพระเหล่านี้เป็นตัวอย่างนะ น, นะตัวอย่างอย่างดีเลยนะก็บอกว่าแต่ที่น่าสังเกตบอกว่าเราไม่เคยมีจิตที่สหรคตด้วยโลภทําลายอินทร์สังวรศีลแลดูรูปอันเป็นวิสภาคะเลยอ่ะคือไม่เคยมีโลภมองเพศตรงข้ามอย่างนั้นเนี่ยวิสภาฆะนี้แปลว่าอารมณ์สมมุติว่าผู้ชายก็มองผู้หญิง ผู้หญิงก็มองผู้ชายด้วยจิตที่เป็นโลภะสภาฆ่ามีส่วนเสมอกันวิสภาฆะก็คือมีส่วนไม่เสมอกันก็คือเพศตรงข้ามนั่นเองเซนาคือไม่เคยมองเพศตรงข้ามด้วยจิตที่เป็นโลภะเลยแสดงว่าท่านจะหนักในกรรมฐานมากเลยน ะ, จะเจริญกรรมฐานเป็นฝึกสัมปชัญญะบัพพะมาเป็นอย่างดีอะเนี่ยนะสัมปชัญญะบัพพะเนี่ยนะ รา้สึกท่านจะเจริญมากพระสมัยก่อนเนี่ยที่เจริญสัพพัญญะบัพพาจริงๆเนี่ยเจริญจริงๆเลยเพราะถ้าหากว่าไม่เจริญขนาดนั้นเนี่ยที่จะไม่ปล่อยให้จิตเป็นไปกับบาปเนี่ยยากเห็นไมสภาข่านี่แปลว่าส่วนเสมอกันเช่นผู้ชายอย่างเงี้ยะผู้ชายก็เสมอกันกับผู้ชายเห็นถ้าไม่เสมอกับผู้ชายก็คือ ผู้หญิงสภาภาคะานี่แปลว่าส่วนส อ, อสภาค่าคก็คือเสมอกันชายเสมอชายหญิงเสมอหญิงถ้าหญิงกับชายแล้วก็ไม่เสมอกันแล้วนี่เรียกวิสภาคะวิสภาคารมก็นั่นแหละตรงซ้ายมือเห็นไหมวิสภาคารูปังอ่ะโอโลกิตะปุพพังนั่นนะวิสภาคะตัวนั้นอาจารย์ใช้วัดเลยแปลทับศัพท์ไปเลยลก็จงวงเล็บว่าเพศตรงข้ามก็ได้ <c oughs> เพราะว่าโดยธรรมดาทั่วไปแล้วอารมณ์แห่งโลภะเป็นต้นก็จะเกิดในเพศตรงข้ามซะส่วนมากเนี่ยนะท่านถ้ารักษาได้ดีขนาดนี้ก็นับว่าทำบุญกับท่านไม่เตี้ยได้เลยนะดีขนาดนี้นะ <c oughs> เป็นนาบุญของเราอย่างดีเลยเอาไว้เจริญสังขารนุสติว่าออสาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีอย่างนี้แหละเห็นไหแต่นี้ของเรา ย, ยังไม่เคยฝึกเลยไปยกตนเทียมท่านนี่ไม่ไหวนะ เดี๋ยวเป็นโรคผิวหนังลําบากนะมันก็เอาไว้กราบเอาไว้สักการะโอ้ท่านปฏิบัติดีจริงๆนะสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้เจริญสังขานุสติได้หรือว่าเวลาถวายสังฆท า, านก็จะนึกถึงพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านี้นีแ่แหละแล้วก็ทําบุญสังฆท า, านไปนะเป็นสังขานุสติด้วยแล้วก็ทําให้เห็นผู้ธานุสติอย่างหนึ่งว่าพระองค์นี่ทรงฝึกคนได้จริงๆว่าผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมของพระองค์แล้วนี้ เขาฝึกตัวเองไนดะ้จริงๆอันที่จริงเห็นเพียงแต่ว่านี่เป็นนี่เป็นแนวทางเป็นหนทางที่ที่สมัยพุทธกาลท่านปฏิบัติกันอย่างนี้แล้วได้บรรลุนี่ก็นี่ก็นี่ก็บุญตั้งหนาแล้วนะครับก็ขเข้าใจถูกอะไรเงี้ยยังไม่ต้องพูดถึงว่าตัวเองนี่มีมาตรฐานแค่ไหนจะไปเปรียบว่าเออทําได้หรือไม่ได้นี่นะครับ แต่สักวันหนึ่งก็คงจะต้องทำได้ในเมื่อไรก็ไม่รู้เลยถ้าทำไม่ได้อย่างนี้นะครับถ้าทำไม่ได้อย่างนี้ก็อย่าหวังเลยครับถ้ายังปล่อยอินทรีย์ให้เพ่งผ่านไปนะผู้ใดยังไม่รู้จักห้ามโศตินทรีย์อันไปในเสียงทั้งหลายผู้นั้นย่อมไม่พ้นไปจากทุก